ก็กราบบูชาปริยัตนาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียหลวงพ่อคำเขียนก็กราบคารวะหลงพ่อกลมพระอาจารย์ทรงศิน์เพื่อนสาธรรมิกก็เจริญพรแ ม, ม่ชีญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านก็นั่งตามปกติ ก็เป็นกิจวัตรประจำวั น, นของพวกเราที่มาร่วมกันไหว้พระสดม น, นก็ได้สาธยายม น, นเป็นการเจริญสติแบบหนึ่งเมื่อเรามีความรู้สึกตัวไปกับบทสดม น, นตรงนี้ก็เป็นการเจริญสติมีความรู้สึกตัวอยู่กับ การพูดการกล่าวคำพูดออกมานะแล้วก็ได้พิจารณานะสิ่งที่เป็นสารประโยชน์นะที่จะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินะโดยเฉพาะในส่วนของออบทพิเศษนะตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะได้พิจารณาแล้วก็น้อมนำออกมาประพฤติปฏิบัติ นจะเจนว่าพระเองค์เนี่ยนะท่านจะเน้นนะให้เราพยายามปลีกตัวเองนะใช้โคนไม้บ้างใช้เรือนบ้างบ้า ง, างนะมาพิจารณากายใจของเราท่านไม่เคยพูดถึงว่าให้เราครุกคีสนุกสนานนะพูดคุยเออกระเลกเคหา นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่เราจะสังเกตได้นะว่าพระตองค์นี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องพวกนี้มากการมาอยู่วัดป่าสุขโตเนี่ยนะก็เข้าใจว่าแต่ละคนคงจะมีเป้าหมายมีความตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้กายใจของเราซึ่งสภาพแวดล้อมของวัดป่าสุโกโตเนี่ยก็เพื่อประโยชน์ให้กับเรื่องนี้จริงๆ แต่ถ้าเรามาแล้วเรามัวแต่พูดคุยคลุกเคสนุกสนานนี่ฮะไปวันวันหนึ่งหาอยู่หากินไปวันวันหนึ่งเราก็ไม่ต่างจากชีวิตที่เราเคยอยู่ที่บ้า น, นาเคยอยู่ในสังคมที่เราเคยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องฉวยโอกาสละมาที่วัดป่าสุกโตเนี่ยภารกิจหรืองาน เร่งด่วนและที่สำคัญที่สุดนะก็คือการที่เรามาเจริญสตินะเรียนรู้กายใจของเราปลีกตัวเองอาศัยสถานที่อาศัยความสงบสงัดของสถานที่นะมาพิจารณามาดูตัวเราเองการมาดูตัวเองเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันก็เจอสิ่งที่เราไม่ไม่อยากเจอ นะอย่างเช่นความเบื่อความง่วงความฟุ้งซ่านนะความหงุดหงิดลำคาญหรือแม้แต่ความเหงาความว้าเวนะหรือแม้แต่มุดมุดความกลัวนะมันคนยังกลัวผีอยู่นะกลัวงูบ้างกลัวสัตว์ร้ายบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะโดยเฉพาะความเบื่อความง่วงนะสำหรับคนที่ฝึกปฏิบัติ นะตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็เป็นการถ้าเราไม่รู้จักมันจริงๆนะมันก็จะทาให้เรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยนะไม่กล้าสู้นะเราก็เลยเมื่อเบื่อเมื่ อ, อ, อง่วงนะเราก็หลีกหนีไปเราก็ไม่เจริญสติเราก็ไม่ทํไปหากิจกรรมอื่นทําไปนะเช่นการทํางานตรงนู้นตรงนี้นะตรงนั้นก็เป็นเรื่องดีนะ <c oughs> แต่จริงๆมันไม่ใช่ภารกิจหลักนะที่เราควรใช้ที่จะต้องทำทั้งวันนะเป็นสิ่งที่เราจะทำในบางครั้งบางคราวบางเวลานะเป็นงานของส่วนรวมนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งจําเป็นแต่ไม่ใช่ว่าทั้งวันเนี่ยเรามัมไปคิดหาทำงานอันนูน้นงานอันนี้นะแต่ว่าการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเรานี่ เราทอดทิ้งไปนะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้จุดประสงค์หรือเป้าหมายหรือความตั้งใจที่เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยมันมันคลาดเคลื่อนไปนะหรือมันเปลี่ยนแปลงไปนะเท่าที่ตัวผมฤ้ตมาได้สังเกตนะจากตัวเองก็ดี <c oughs> จากเพื่อนเพื่อนก็ดีหลายคนเนี่ยนะมาใหม่ๆก็ตั้งใจอยากจะมาปฏิบัตินะบางคนก็ มาปฏิบัติแล้วนะก็มาบวชนะเดิมทีก็ความตั้งใจอยากจะมาฝึกปฏิบัตินี่แหลนะอยากจะมาเจริญสตินี่แหลนะแต่พอมาเจริญสติเข้าจริงๆมาเจอความเบื่อความเหงาความฟุ้งซ่านลำคาญนะก็ทิ้งไปเลยนะทิ้งเรื่องการเจริญสติไปเลยไปหากิจกรรมอื่นทมไปทำกิจกรรมอื่นๆนะซึ่งก็เป็นเรื่อง สังคมเรื่องเพื่อนฝูงนะเรื่องกิจกรรมต่างๆข้างนอกไปนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากที่เราเคยอยู่ที่บ้านเคยอยู่ที่สังคมนะเพราะนั้นการมาวัดป่าสุก โ, โตเนี่ยมันก็เลยเสียโอกาสนะเสียโอกาสที่เราจะได้มาเรียนรู้นะความจริงของชีวิตนะโดยเฉพาะความจริงของกายของใจทั้งที่เป็นส่วนที่ เป็นที่น่าพอใจแล้วก็ที่ไม่น่าพอใจนะตรงเนี้ยโดยธรรมดานเมื่อเราไม่รู้เข้าใจไม่เห็นความจริงของกายใจแล้วเนี่ยนะเราก็ยังตกอยู่ในอารมณ์นะหรือในความคิดต่างๆนาน า, นาที่มันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นชีวิตของคนที่ยังออกไม่พ้ น, นจากสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะสุขสุขทุกๆ นะฟู ฟ, ฟแฟบแฟบนะจิตใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันไปอยู่กับความคิดจิตใจมันอยู่ไปอยู่กับอารมณ์นะพยายามไขว่คว้าหาความสุขความสุขความสะดวกสบายความเพลิดเพลินความสนุกสนานนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่ต่างจากที่เราเคยอยู่ที่บ้านเคยอยู่ในสังคมนะอีกทางหนึ่ง นะก็คือการพยายามผลักไสนะสิ่งที่เป็นความทุกข์ยากความลำบากนะความเบื่อหน่ายความฟุ้งซ่านนะเราพยายามผลักไสไปสิ่ ง, งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดานะที่มันจะเกิดขึ้นนะภายในร่างกายภายในจิตใจของเราทีนี้การที่เราไม่เห็นความจริงตรงนี้เนี่ยมันก็มีการผลักบ้างมีการดึงเข้ามาบ้าง การเดินการผักเนี่ยมันก็ต้องออกแรงออกแรงมันก็เหนื่อยมันก็หนักแต่เราไม่รู้ตัวเราไม่รู้ตัวว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราต้องออกแรงเราต้องใช้แรงนแล้วก็เป็นสิ่งที่มันหนักนะเพราะตรงนี้เนี่ยเราเราไม่รู้เท่าทันนั่นเองแต่ถ้าเราเจริญสติบ่อยๆนะเห็นกายเห็นใจบ่อยๆเห็นความเป็นปกติของใจบ่อยๆเนี่ย เราเจนเลยว่าเมื่อมันเป็นสิ่งที่เราให้ให้เราพอใจนะนะใจมันก็ผิดปกติไปแล้นะหรือสิ่งที่เราไม่พอใจก็ผิดปกติไปแล้วนะเรียกว่าใจมันพลิกไปพลิกมานะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ถ้าเราเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็เจนเลยว่าโดยธรรมชาติธรรมดาของจิตเนี่ยมันจะปกติอยู่ที่มันไม่ปกติเพราะเราไม่รู้เท่าทันนั่นเอง นะไม่รู้เท่าตันกายที่มีการเคลื่อนไหวไม่รู้เท่าตันใจที่มันคิดนึกนะเราหลงไปในอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องสังเกตนะเราจะต้องเพียรพยายามนะกระทำอย่างต่อเนื่องนะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดผลขึ้นมานะผลที่เกิดขึ้นก็คือเรารู้ความจริงของกายของใจว่า มันไม่เที่ยงแท้มันมีการแปลปรวนนะแล้วมันก็ไม่มีสิ่งที่จะไปบังคับบัญชาได้มันไม่เป็นไปตามใจของเรานะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดการปล่อยวางเองโดยธรรมชาตินะเรียกว่าเป็นธรรมชาตินะที่มีอยู่แล้วนะเป็นธรรมชาติที่ก็เป็นของเขาอย่างนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เป็นไปตามใจของใคร นะโดยเฉพาะตัวเราเองเราจะไปกำหนดให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะก็เป็นไปไม่ได้เพียงแต่ว่าเราเห็นความจริงความแปรเปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงความไม่มีตัวตนเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เออเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นนะเราไม่ใช่เป็นนึกคิดเอานะการเรียนธรรมะเนี่ยอย่าไปใช้ความคิดเลย เราไปความใช้ความคิดไปคาดเดาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรืออย่างที่เราจําว่าอ๋อมันอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้นก็เป็นความคิดนะมันไม่ใช่เป็นความจริงนะเป็นสิ่งที่เราคิดคาดกันเองเอาแต่ว่าความจริงมันจะแสดงมันจะปรากฏออกมาต่อเมื่อความรู้สึกตัวของเราที่เราเพียรพยายามทําอยู่บ่อยๆ อ, อย่างต่อเนื่องและปรากฏการณ์เหล่านี้มันก็แสดงตัวของมันออกมา นะโดยที่เราไม่ได้เป็นนึกไปคิดไม่ได้ไปคาดคนเนนะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่เอ่อเราสามารถที่จะเรียนรู้นะจะสังเกตนะได้จากการประพฤติธปฏิบัตินั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงการเจริญสตินะตามแนวสติปัฏฐาน4นะเริ่มต้นที่มีความรู้สึกที่กายนะโดยเฉพาะกายที่เคลื่อนไหวนะในรูปแบบนะที่เราประพฤติธปฏิบัติกัน จะเป็นการเดินจงกรมก็ดีการสร้างจังหวะก็ดีณตรงนี้เนี่ยเราควรจะให้เวลากับมันจริงๆเมื่อมีเวลาว่างเนี่ยแทนที่เราจะไปทํากิจกรรมอื่นๆนะเราก็ควรจะมาทํานในรูปแบบเนี่ยการเดินจงกรมการสร้างจังหวะนะทุ่มเวลาให้กับเรื่องพวกนี้จริงๆดีกว่าไปพูดไปคุยไปสังสรรค์เฮะฮะ นะหรือว่าไปทำบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆนะซึ่งตรงนั้นไม่ได้ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ทำแต่ให้มันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นงานส่วนย่อยนะไม่ใช่งานหลักงานหลักจริงๆของเราก็คือการเจริญสตินี่เองโดยเฉพาะการเจริญสติในรูปแบบเนี่ยอย่าทิ้งนะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหลักนะเป็นหลักให้กับการที่เราจะเรียนรู้ในะเรื่องกายเรื่องใจ และถ้ามีอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะ่ะจะเป็นความเบื่อก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีนะความเหงาความบ้าเวก็ดีอันนั้นน่ะเป็นบทเรียนนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องผ่านไปนะไม่ใช่ว่าพอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หนีเลยต้องเผชิญนะกล้าที่จะเผชิญอารมณ์เหล่านี้มันมันไม่มีค่านะมันไม่มี ไม่มีน้ำยาเลยจริงๆถ้าเราใจเราสู้นะแล้วก็ถ้าเรามีความรู้สึกตัวดีๆนะแรกๆนี่ก็จะต้องฝืนกันหน่อยต้องสู้กันหน่อยเล่นกันสักตั้งหน่หน่อยถ้าเราผ่านอารมณ์พวกนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์ที่หยาบๆมากนะเราก็ไปจะสัมผัสอารมณ์กับมันที่มันละเอียดขึ้นนะบางทีทําไปนะเดินไปตัวเบาๆนะมีปิติซาบซ่านขึ้นมานะหรือบางทีก็คิดในเรื่องที่เป็น กุศลนะเป็นคุณงามความดีทนะาให้รู้สึกอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมานะนั่นก็เป็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นไปอีกนะแล้วก็เป็นความปกติของใจในยิ่งละเอียดที่สุดเลยนะเพราะนั้นตรงนีเน้เป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะเข้าไปตรงๆนะไม่ต้องไปหลบไปหลีกบางทีทาไปมันก็สงบนะตรงสงบก็อย่าไปนิ่งไปอยู่แค่จุดสงบเท่านั้น หรือบางทีทําแล้วตัวเบามีปิตินะก็คิดว่าอันนั้นเป็นเป้าหมายแล้วก็ไม่ใช่เหมือนกันนะต้องผ่านเหมือนกันอารมณ์ทุกๆอารมณ์เนี่ยขาให้ผ่านนะแล้วก็สังเกตใจเป็นปกติอยู่บ่อยๆนะซึ่งอันนี้มันจะเป็นเองนะไม่ใช่เราไปกําหนดไปกดเกณฑ์ไปบังคับให้มันเป็นปกตินะเพียงแต่ว่าเราสร้างเหตุก็คือมามีความรู้สึกตัวนะที่กายเคลื่อนไหวให้ชัดๆ การยกมือก็ดีการเดินชมกลมก็ดีแรกแรกให้มีเจตนานะมีเจตนาที่จะรู้สึกกับกายที่เคลื่อนไหวบ่อยๆอย่อยาไปทำแบบลอยๆทำเล่นๆ น, นะตรงนี้มันก็จะทำให้ความรู้สึกตัวไม่ชัดนะแรกแรกมันอาจจะเพ่งไปนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรแนละ้วก็ปรับนะปรับเดี๋ยวมันก็เข้าสมดุลพอดีของมันนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ ตัวใครตัวมันแหลนะน่าจะต้องสังเกตเอาเองจะต้องปรับเอาเองจะต้องเรียนรู้เอาเองนะเพราะนั้นตรงนี้เนะี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำเสนอให้พวกเราเนี่ยนะที่อยู่วัดป่าสุกโตเนี่ยภารกิจหลักก็คือควรจะมาทำเรื่องนี้นะส่วนภารกิจลองก็เป็นงานส่วนรวมนะที่เราจะทำนะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งนะเราไม่ได้เก็บเนื้อเก็บตัวไป จเจริญสติอย่างเดียวการงานส่วนรวมเราไม่ทำเลย น, นี่ก็เป็นสิ่งทีเ่เราควรจัดลำดับความสำคัญ น, นอกจากการทำในรูปแบบแล้วสิ่งที่ควรจะต้องออพิจารณาอีกการหนึ่งก็คือการมีสติกับกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวั น, นตั้งแต่ตื่นนอ น, นาอาการทำความสะอาด นะการขบชันนะการตักอาหารนะการาทํากิจกรรมต่างๆเท่าที่สังเกตอันนึงมีข้อสังเกตที่อยากจะให้พวกเราพิจารณาเนาะในตอนเช้าเนี่ยเวลาเราตักอาหารเนี่ยสังเกตไหมเสียงมันดังมากเลยกุง้งเก่งกุง้งเก่งนะตรงนี้เนี่ยสติเราหายไปไหนละนะตรงเนี้ยหรือบางทีก็พูดคุยกันเสียงดังมากนะเท่าที่สังเกตดู นะตรงนั้นสติเราขาดไปแล้วเพนะราะนั้นถ้าเราตักด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติเนี่ยนะมันจะไม่มีเสียงเลยนะมันจะมีเสียงค่อยๆมันจะคุยกันเบาๆนะซึ่งตรงนี้เนี่ยในในฐานะที่พวกเราอยู่ที่วัดนะบางคนอาจจะอยู่มานานอาจจะรู้สึกว่าอะไรก็ได้นะซึ่งตรงเนี้ยคนที่มาใหม่เนี่ยเขาอาจจะเขาอาจจะงงเหมือนกันนะ นะฝึกสติแต่ว่ า, าตักอาหารกงนเสียงดังมากนะพูดคุยกันเสียงดังมากนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะช่วยกันนะในการที่จะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างนะว่ า, าการที่เราฝึกสติมาแล้วนะเราสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันการตักอาหารการขบฉันนะการมีชีวิตประจำวัน แต่ตรงนี้ก็มั น, นหมายถึงว่าโอ้โหเราต้องเคร่งคัดเคร่งเครียดจนทําอะไรไม่ถูกเลยนะก็คือทำเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละนะเพียงแต่ว่าเราก็มีความสํารวมระวังนนในการที่จะมีชีวิตง่ายมีชีวิตที่มีสติมีความรู้สึกตัวนในทุกอิริยาบถนะซึ่งตรงเนี้มันจะทําให้เกิดผลการจเจริญสติเนี่ยถ้าเราทําแค่ในรูปแบบ ถึงเวลาเลิกเราก็เลิกเราก็ไม่ทำนะตรงนี้มันก็จะขาดความต่อเนื่องนะผลที่เกิดเนะี่ยมันก็จะเกิดผลน้อยนะแล้วมันก็ได้แต่เพียงรูปแบบเท่านั้นเองอะแต่ถ้าเราสามารถที่จะขยายผลนะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันนะตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่จะทาให้การเจริญสติของเราเก้าวหน้าเพราะนั้นสังเกตนะบางคนเนี่ยนะปฏิบัติมาตั้งหลายปีแล้ว แต ก, ก็ไม่ก้าวหน้านตัวธรรมาเองก็เคยเป็นอย่างนั้ น, นเพราะว่าเราไปให้ความสําคัญแค่ทําในรูปแบบพอเราออกจากลานชมกลมก็ดีออกจากการสร้างจังหวะก็ดีเราเผลอเราไปทําอะไรตามใจตัวเองไปทําอะไรตามความเคยชิ น, นซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เราไม่ก้าวหน้านตรงนี้เพราะว่าเราขาดความเจริญสติอย่างต่อเนื่องนั่นเอง แม้การเจริญสติเนี่ยหลวงพ่อเทนก็เลยมักจะพูดเส ม, มอว่าทำตั้งแต่ตื่นยันหลับนะนะไม่ใช่ทำแค่8ดมงครึง่งถึงสี่มงครึง่งนะในเวลาราชาการนะฮหรือว่าเป็นแค่ช่วงที่เราทำในรูปแบบเท่านั้นนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ เ, เห็นได้จากตัวเองนะเท่า ท, ท, ที่พูดในเคือจากตัวเองได้ประพฤติปฏิบัตินะแล้วก็ เห็นว่าถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดผลจริงๆแมบบ้ว่ามันอาจจะฝืนกับความเคยชินเก่าๆนะฝืนกับความที่เราไม่คุ้นชินนะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องพยายามนะการทาให้อย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นความเพียรที่แท้จริงก็คือเพียรที่จะรู้สึกตัวนะในกิจวัตรประจําวัน ทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบนะอันนี้จะทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าเอาเฉพาะในรูปแบบอย่างเดียวมันก็มันก็นกดีอ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องนะแล้วก็ผลที่เกิดเนี่ยมันก็อาจจะล่าช้ามันอาจจะเนิ่นช้าไปนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือคนที่อยู่วัดมานานเนี่ยต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือความรู้สึกที่ว่าเราเป็นคนเก่า นะเราอยู่มานานนะเพราะนั้นเราทําก็ได้เราไม่ทําก็ได้นะตรงนี้ประมาทนะเป็นความประมาทซึ่งตัวอตมาเองก็เคยเป็นนะมีความรู้สึกโอ้โหเราเคยเรียนกับหลวงพ่อเทียนมาตั้งยี่สิบสามสิบปีนะเราก็รู้สึกหลงตัวเองว่าเอ้เราเรารู้มากเราก็ใจมากได้จริงมันหลงนะมันลืมไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราประมาทเรา ไม่หมั่นเพียรพยายามอยู่บ่อยๆเนี่ยพอเวลาเจออารมณ์ก็ดีเจอเรื่องต่างๆเข้ามากระทบกระเทือนใจเนี่ยเราไม่รู้ตัวจริงๆนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยสังเกตคอยดูอยู่เรื่อยๆเพราะนั้นถ้าดีเนี่ยให้มีความรู้สึกว่าเหมือนเราเป็นคนใหม่อยู่เรื่อยๆนาไม่ใช่เป็นคนเก่าคนเก่าอะไรนาอยู่วัดก็อย่าไปเข้าใจว่าเออมันแก่วัดแล้วนะนตรงเนี้ยก็ต้องระมัดระวัง นคนที่อยู่วัดนานๆคนที่ฝึกปฏิบัติมานานๆเนี่ยนะมีโอกาสที่จะประมาทได้มากนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากเอาไว้อยากจะชวนพวกเราเนาะว่ามาอยู่ที่วัดเนี่ยนะให้เราเพียรพยายามทำเรื่องนี้นะจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเนี่ยมันก็เกินกินชีวิตเกินกิน ตัวเราไปทุกวันนะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะตายนะเพราะนั้นต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะในการที่จะเผชิญกับความตายในการที่จะเผชิญกับความเจ็บไข้ได้ป่วยนะในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะที่มันจะมากระทบกระเทือนใจทําให้เราไม่สบายใจทําให้เราเป็นทุกข์นะเพราะนั้นตรงนี้นะก็ต้องไม่ประมาทนะก็คิดว่า สิ่งที่พูดมานะก็อยากจะสรุปรวมสุดท้ายนะว่าการมีชีวิตอยู่ในแต่ละขณะเนี่ยให้เป็นชีวิตแห่งความรู้สึกตัวเป็นชีวิตแห่งการภาวนาหรือพัฒนานะพัฒนาความรู้สึกตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะเพื่อให้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น เนะมื่อกายใจของเรานะไปสัมผัสกับโลกต่างๆนะแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะซึ่งเป็นความจริงที่มันแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้อะไรท้ายที่สุดนีนะ้ก็ขออ้างอิงเอาคุณของพรนะีรัตนไตรก็คือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ น่าได้มาเตือนจิตสกิดใจนให้พวกเราน่าได้มาดูตัวเราเองน่าใช้ความรู้สึกตัวคือสติสัมปชัญญะนามองดูสังเกตดูศึกษาดูอยู่เรื่อยๆน่าเราก็จะเข้าใจความจริงของชีวิตน่าได้สัมผัสกับความเป็นปกติของใจนทุกเมื่อนเพื่อให้ชีวิตนั้นเป็นปกติสุขนเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์กับตัวเอง กับสังคมกับโลกได้เร็ววันนี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร